ท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับนี่คือรายการทมและทัศนาชีวิตผมวสินอินทศระจะได้มาพบกับท่านผู้ฟังวันนี้ก็จะพูดถึงพุทธชัยยมงคลข้อที่สามนะครับคือกล่าวถึงชัยชนะของพระพุทธเจ้าที่เกี่ยวกับช้างนารากรี ซึ่งพระเจ้าอาชาจะสัตรูร่วมกับพระเทวทัตปล่อยมาเพื่อจะทำรายพระองค์ในขณะที่เสด็จบินทบาทณเมืองราชครึกนะครับอันนี้ก็เป็นครั้งที่สามที่พระเทวทัตยพยายามที่จะลงพระชนพระพุทธเจ้าครับครั้งแรกก็ได้ส่งคนแม่นธนูไปเพื่อจะ ให้ยิงพระพุทธเจ้าก็ประส่งนในนายขมังธนูหรือคนแม่นธนูไปหลายชุดด้วยกันมีแผนว่าส่งไปสี่คนแล้วก็แล้วก็ต่อมาก็ส่งไปแปดคนเพื่อให้ฆ่าสี่คนเพืเ่อป้องกันฆ่าปิดปากนะนะครับฆ่าปิดปากแล้วก็ส่งไปสิบหกคนเพื่อให้ฆ่าแปดคนทํานองนั้นวางแผนไว้ยอย่างนั้นแต่ว่า คนแม่นธนูทุกชุดที่พระเทวทัตส่งไปก็ปรากฏว่าไปเลื่อมใสพระพุทธเจ้าหมดไม่สามารถที่จะทำร้ายพระพุทธเจ้าได้แล้วก็ขั้งต่อมาพระเทวทัตก็ลงมือเองลงมือเองคือกลิ้งหิน ลงมาจากยอดภูเขาคิดจกรูดในขณะที่พระพุทธเจ้าเสด็จขึ้นภูเขาคิดจะกรูดเรากลึ่งหินลงมาหินก้อนใหญ่เพื่อให้ทับพระพุทธเจ้าโชคดีโชค ด, ชคดีหรือเป็นพุทธบารามีที่หินไปท้างอยู่ไม่กลึ่งลงไปแต่ว่าสะเก็ดหินได ไปกระทบพระบาทของพระพุทธเจ้าจนพระโลหิตห่อโดยตามธรรมดาว่าธรรมดาของพระพุทธเจ้านี้ไม่มีใครสามารถที่จะทําพระโลหิตให้ออกจากพระกายได้โดยความตั้งใจโดยเจตนาที่จะทํำลายนี่ก็ก็ไม่สําเร็จไม่สมใจไม่สมใจของพระเทวทัต พระเทรัาทก็มาคิดว่าทำอย่างไรต่อไปถึงจะตรงพระชนพระพุทธเจ้าได้ในที่สุดก็มาคิดได้ว่ามีช้างลุก้ายอยู่เชือกหนึ่งคือช้างนาละชีริของพระเจ้าอาชาติศัตรูก็ไปชับชวนให้พระเจ้าอาชาติศัตรูยอม ปล่อยช้างนาฬคีรีเพื่อมาประหารพระพุทธเจ้าตามธรรมดาเขาจะหม่อมเล่าช้างนาฬคีรีแปดหม้อทีนี้วันนั้นพระเทวทัตขอร้องพวกควัญช้างในฐานะที่เป็นผู้สนิท ก, กับพระราชาว่าให้หม่อมเล่าช้างนาฬคีรีสักอีกเท่าหนึ่งคือเป็นสิบหกหม้อ ช่างเช้าขึ้นมาช่างนากิกีก็ปล่อยถูกปล่อยออกมาเพื่อจะไปประหารพระพุทธเจ้าหรือทำ้ายพระพุทธเจ้าซึ่งเสด็จออกบินทบาทพร้อม้วยพระอนุลและภิกษุสงฆ์บางจํานวนแต่ที่จริงข่าววันนี้ก็ได้รั่วไหลไปก่อนแล้วเรื่องที่สะเทวทัต ส, สมคบกับพระเจ้าอาชาสัตรู เพื่อจะปล่อยช้างนาลาคิรีในวันรุ่งขึ้นถ่าวก็ได้แพร่หลายไปก่อนแล้วใครๆก็พากันเป็นห่วงพระพุทธเจ้าและก็ห้ามว่าพรุ่งนี้อย่าได้เสด็จออกไปบินธบาตแต่พระพุทธเจ้าท่านก็นิ่งเฉยเสียแล้วก็เช้าขึ้นมาก็เสด็จไปบินธบาตตามปกตินี้ก็ได้เวลาพอดี พอาขาปล่อยช้างพอดีช้างก็วิ่งมาเพื่อจะทำลายพระพุทธเจ้าก็ปรากฏตามตำรานะครับว่ามีคนมาดูกันมากถ้าจะเอาตามตำราที่ท่านกล่าวเอาไว้พอมีคนมาดูกันมากที่ตกใจก็มีที่ดูอยากจะดูอยากจะเห็นอยากจะรู้ปีนขึ้นไปบนต้นไม้ก็มีอยู่บนตึกก็มีอยู่บน อะไรที่เท่าที่พอจะขึ้นไปดูได้เราเป็นสงครามเราว่างช้างที่ดุร้ายกับพระพุทธเจ้าเมื่อช้างถูกปล่อยมาทรานนท์ก็ออกขวางขวางหน้าไว้ขอร้องว่าให้พระพุทธเจ้าถอยไปยูข้างหลังท่านจะรับมือกับช้างองีก ยอมสละชีวิตเพื่อรักษาพระพุทธเจ้าเอาไว้พระพุทธเจ้าท่านห้ามถึงสามครั้งว่าอนนท์อย่าทำอย่างนั้นเลยนี่เป็นหน้าที่ของตาขาคตเป็นหน้าที่ของตาขากตที่จ ะ, ะต้องปราบชังโดยเมตตาพระอนนท์ท่านก็ไม่ยอมทำอย่างไรก็ไม่ยอม ในตําราท่านบอกว่าพระพุทธเจ้าท่านบรรดาหด้วยฤทธิ์ให้พระอนุนมาอยู่ข้างหลังมาอยู่ข้างหลังพระองช้างวิ่งมาถึงพระพุทธเจ้าก็แผ่พระเมตตาแผ่พระเมตตาไปทั้งนาลาคีรีทั้งทั้งที่เมาอยู่อย่างนั้นก็กระทบกับกระแสรพระเมตตาของพระพุทธเจ้าซึ่งมีพลังมากเกลือเกิด ก็ไม่อาจาที่จะทำร้ายพระพุทธเจ้าได้กับหมอบลงหมอบลงพระพุทธเจ้าก็ทรงให้โอวาดต่างสอนช้างเป็นทํานองว่าเกิดมาเป็นเดรัจฉานก็เพราะบาปกรรมที่เคยทำมาชัดนี้อย่าได้ทำบาปกรรมอะไรอีกเลยจ้างก็เชื่ อ, อว่าไม่รุกรายอีกต่อไป ตั้งแต่บัตรนั่นมาช้างนร า, าคิรีก็ไม่ดุร้ายอีกต่อไปเขากลายเป็นช้างที่มีศิทธกลายเป็นช้างที่มีศิท์ในตำราที่ท่านผูกเป็นคาถาสําหรับสวดเอาไว้ผูกเป็นจันทะลักเอาไว้นะครับนาลาคิริงข้าชาวรังอติมัตตภูตังเป็นต้นนะครับแปลความว่าช้างตัวประเสริฐชื่อนาลาคิรี เป็นช้างเมาหมันเป็นช้างเมาหมันโหดร้ายเหมือนไขไม้ป่ามีกำลังเหมือนจักรราพุทธจักรราพุทธและสายฟ้าพระเจ้ามุนีก็เอาชนะได้โดยนามคือพระเมตตาด้วยเดชแห่งพระพุทธเจ้านั้นขอชัยมงคลจงมีแก่ท่านตันเตสะสะพะวะัตุเตชยมังขลานิ อันนี้ถ้าเพื่อเราสวดเพื่อตัวเราเองก็เปลี่ยนเป็นตันเตชัสาภาวะตุเมชยมังคลานิขอชยมงคลด้วยเดชแห่งพระจอมมุนีพระองค์งอองนั้นขอชยมงค์จงมีแก่เราแก่ข้าพเจ้าอะไรต่อปรากฏว่าวันนั้นประชาชนเขาตื่นเต็นกันมากทั้งเมืองราชเชือตื่นเต้นโจดขานกันตลอด ทั้งเมืองและก็ทั้งวันพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงดำริว่าวันนี้เราได้ทำอภินิหารมากแล้วในการปราบช้างนาลาทิรีอย่าได้ออกไปบิณฑบาตเลยก็เลยเสด็จกลับไปเวลุวันปรากฏว่ามีประชาชนได้ไปไปชุมกันที่เวลุวันเปน็นอันมากไปถาไวายข้าวปลาอาหารอะไรแก่พระพุทธเจา้าพร้อมเบอร์พิษสูง ที่อยู่ในที่นั้นความพยายามของพระเทวทัตก็คงไม่สำเร็จอย่างเคยความร้ายของพระเทวทัตไม่สำเร็จสู้ความดีของพระพุทธเจ้าไม่ได้แล้วก็เย็นวันนั้นเองนะครับภิกษุทั้งหลายก็ไปชุมกันในธรรมสภาสนทนากันถึงเรื่องที่เกิดขึ้นตอนเช้าแล้วก็พรรณนาถึงคุณของพระอานนท์ ว่าพระอนุณนั้นเป็นมาหามิตรของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ยอมเสียสละชีวิตเพื่อพระองค์มีความกล้าหาญเอาชีวิตเท่าแลกกับพระภูมีพระภ า, าเจ้าเย็นวันนั้นพระพุทธเจ้าพระได้เสด็จมาที่ธรรมสภาทราบเรื่องที่ภิกษุทั้งหลายสนทนากันแล้วพระผู้มีพระภาคก็ กับภิกษุทั้งหลายว่าอานอนท์ได้สละชีวิตเพื่อเราไม่ใช่เพียงแต่ในบัดนี้เท่านั้นแม้ในการก่อนสมัยที่เป็นแม้ในกําเนิดของเดรัจฉานในกําเนิดเดรัจฉานอานอนท์ก็เคยสละชีวิตเพื่อเราแล้วเหมือนกันเมื่อภิกษุทั้งหลายกลับทูลให้ ทรงแสดเงเรื่องในอดีตพระพุทธเจ้าก็าตรัสเล่าเรื่องในอดีต ท, ที่พระองค์กับพระอานนทได้เป็นมิตรและได้ช่วยเหลือกันมาดังไรเรื่องมันเป็นอย่างนี้คับในอดีตการไม่ไกลจากนครสาคละแค้นมาฮิสตะมีระบวัวหลวงกว้างใหญ่สวยงามน่าทื่นชบเป็นที่อาศัยหากินของนกเป็นอันมาก พาร น, นกคนหนึ่งมันดักปวงได้นกเสมอนำไปกินและขายด้วยหงส์หงหนึ่งอาศัยอยู่ในถ้ อ, อหน้าภูเขาจิตกุฎหวัวหน้าผงคือพญาหงส์ชื่อทศรถมีหงส์ที่สนิทชื่อสุดนมิตคราวหนึ่งนกหงส์องสามตัวไปหากินที่สะบัวหลวงชื่อมนุษยอะรู้สึกพอใจ จึงมาเล่าให้พญาหงฟังว่าเป็นสะที่มีอาหารมากแต่เป็นถินของมนุษย์พวกเขาอยากไปหากินที่สะนั่นอีกพญาหงห้ามว่าถินมนุษย์มีอันตรายมากมีอันตรายมากสำหรับนกไม่ควรจะไปแต่ปริบาลก็อ้อนปอดครั้งแล้วครั้งเล่าพญาหงจึงอนุโลมตามและบอกว่าจะไปด้วย ข่าวนั้นมีหงบริวารตามไปด้วยเป็นจำนวนมากพอร่อนลงเท่านั้นพญาหงก็ติดบ่วงบ่วงเขาพรานรับเท้าไว้แน่นคิดว่าจะทำให้บ่วงขาดจึงดึงเท้าอย่างแรงครั้งแรกหนังทลอะครั้งที่สองเนื้อขาดพอครั้งที่สามเอ็นขาดถึงครั้งที่สี่บ่วงกินลึกลงไปถึงกระดูกเลือดไหลมาก จะปวดแสนสาหัสะยาหงคิดว่าถ้าจะร้องขึ้นว่าติดปวยปริวานซึ่งกําลังกินอาหารเพลินอยู่ก็จะตกใจกินอาหารไม่ทันอิ่มเมื่อกินอาหารไม่อิ่มบินกลับไปไม่มีกําลังพอก็จะตกทะเลตายกันหมดยิงเฉยอยู่รอให้บริวานกินอาหารจนอิ่มตนเองยอมทนทุกข์ทรมาน ด้วยปวงนั้นเมื่อเวลาล่วงไปพอสมควรเห็นว่าพวกหงกินกันอิ่มแล้วกําลังเล่นเพลินกันอยู่จึงรองขึ้นด้วยเสียงดังว่าติตปวงจิดปวกพอได้ยินดังนั้นหงบริวารทั้งหลายก็ตกใจคุมกันเป็นพวกพวกลวบินหนีไปยังภูเขาจิตตะกุดหงสมุกที่แรกก็บินไปกับบริวารเหมือนกัน เขาได้ยินแต่คำว่าติดป่วงไม่รู้แน่ว่าเป็นใครเมื่อบินไปสักครู่หนึ่ง mm. ก็นึกเฉลียวใจว่าพยาหงอาจจะติดป่วงก็ได้ยังบินด้วยกำลังทั้งหมดสำรวจหงทุกปงเมื่อไม่เห็นพยาหง mm. ก็คิดว่าอันตรายคงเกิดขึ้นแก่พยาหงจึงรีบบินกลับไปยังสะมนุษิยะเห็นพยาหงกาลังติดป่วงจึงปลอบใจอย ก, กลัวเลย จะสละชีวิตแทนจะอยู่เป็นเพื่อนตายพญาหงกล่าวว่าฝูงหงบินหนีกันไปหมดแล้วขอท่านจงเอาตัวรอดเถิดไม่มีประโยชน์อะไรในการอยู่ที่นี่เมื่อขา้าพเจ้าติดป่วงอยู่เช่นนี้ความเป็นสายจะมีประโยชน์อะไรเล่าสมุขก็กล่าวตอบว่าขา้าพเจ้าจะจูดก็ตายอยู่ดีจะห น, นีกงตายหาได้ไม เมื่อท่านมีทุกข์ข้าพ เ, เจ้าอยู่ใกล้เมื่อท่านมีทุกข์ข้าพ เ, เจ้าจะจากไปเสียอย่างไขรการตายพร้อมกับท่านประเสริฐกว่าการมีชีวิตอยู่โดยไม่มีท่านเมื่อท่านมีทุกข์อยู่เช่นนี้ข้าพ เ, เจ้าจะไปเสียตูไม่เป็นธรรมเลยสังเกตดูนะครับท่านผู้ฟังที่เคารพสังเกตดูคาพูดของสุมุกว่าเป็นคำพูดที่ประทับใจแค่นะั้น ข้าพเจ้าจะจากไปเสียอย่างไรการตายพร้อมกับท่านประเสริฐกว่าการมีชีวิตอยู่โดยไม่มีท่านเมื่อท่านมีทุกข์อยู่เช่นนี้ข้าพเจ้าจะไปเสียดูไม่เป็นธรรมเลยพญาหงก็กล่าวกล่าวว่าคติของผู้ติดปวงเช่นข้าพเจ้าจะมีอะไรนอกจาก้องข้าวโรงครัวท่านเป็นผู้มีความคิดจะชอบใจคติเช่นนี้ได้จังไร ท่านเห็นประโยชน์อะไรในการยอมตายครับข้าพเจ้าท่านมายอมสละชีวิตในเรื่องที่ไม่ได้เห็นคุณอย่างแจ่มแจ้งเหมือนคนตาบอดทำกิจการในที่มืดจะให้สำเร็จประโยชน์อย่างไรท่านไม่ได้เล็งผลนั่นเป็นเหตุให้รุ่งเรืองเลยระยะของพุดธีเลเกิดพุดดีเลเกิ น, ดด แ, กนแต่ว่าคนก็ยังพูดไม่ก็ได้แต่สุมกยังกล่าวดีขึ้นไป สมุขผู้เป็นสหายสมุขก็กล่าวตอบว่าทำไมท่านจึงไม่รู้แจง้งซึ่งความหมายแห่งธรรมธรรมที่บุคคลเคารพแล้วยอมแสดงประโยชน์แก่สัตว์ทั้งหลายพระเจ้าเพ่งถึงธรรมและประโยชน์ที่จะได้จากธรรมมิใช่ผลประโยชน์ทั้งถูกคำหนึงถึงความพักดีในท่านจึงไม่ได้เสียดายชีวิตธรรมดามิตรเมื่อระลึกถึงธรรมอยู่ก็ไม่ควรทอดทิ้งมิตรในยามทุกข์ แม้จะต้องเสียชีวิตก็าตามนี่คือธรรมของศัตว์บุเห็นไหมฮะสมุกบอกว่าท่านไม่รู้แจ้งซึ่งความหมายแห่งธรรมและธรรมที่บุคคลเคารพแล้วย่อมแสดงประโยชน์แก่สัตว์ทั้งหลายข้าวเจ้าเพ่งถึงธรรมและประโยชน์ที่จะได้จากธรรมไม่ใช่ผลประโยชน์ทางวัตถุคำหนึ่งถึงความพักดีในท่านจึงไม่ได้เสียดายชีวิต ธรรมดามิเมื่อลึกถึงทำอยู่ก็ไม่ควรทอดทิ้งมิตในยามทุกข์แม้จะต้องเสียชีวิตก็ตามนี่คือธรรมของสัตว์ปุรุภ ย, ยาหองก็กล่าวว่าท่านประพฤติธรรมดีแล้วความพักดีในตัวข้าพเจ้าท่านก็แสดงออกชัดเจนแล้วข้าพเจ้าขอร้องให้ท่านไปเสดจากที่นี่ขอให้ทาตามความต้องการของข้าพเจ้าขอช่วยไปดูแลผู้งงบริวารของข้าพเจ้าด้วย เมื่อนกทั้งสองกำลังเจราจากันจูอย่างนี้นายพรานก็มาถึงสงสัยว่านกตัวหนึ่งติดป่วงจูดแต่อีกตัวหนึ่งไม่ได้ติดป่วงทำไมจึงเดินอยู่ใกล้ๆไม่ได้บินหนีไปจึงไต่ถามสุมุกจึงตอบให้ทราบว่าพญาหงเป็นนายของตนไม่อาจละทิ้งท่านไปได้พรานจึงถามพญาหงว่าเป็นถึงพญาหงเหตุไฉนจึงมาติดปวง ที่บริวารก็ไม่ได้ติดหัวหน้าผู้ฉลาดควรรู้ถึงอันตรายนี้เป็นธรรมดาของผู้เป็นใหญ่สมุขได้ตอบแทนพระยาหงว่าเมื่อวความเสื่อมมาถึงข้าวในการใดการนั้นสัตว์แม่ข้าไหบ่วงก็ไม่รู้สึกเมื่อถึงคราวจะสิ้นชีวิตก็เช่นเดียวกันจริงชาดกเนี่ยนะครับข่าวเรื่องก็น่าสนใจอยู่แล้ว แต่สิ่งที่น่าสนใจกว่าก็คือคำสนทนาหรือคำพูดของนกหรือของสัตว์หรือของบุคคลในชาดกนั้นเองถ้าเป็นคำพูดที่น่าสนใจเป็นคติเป็นสุภาษิตก็บางค่าวแรงก็ไปติดบ่วงนะครับแล้วก็มีผู้ถามว่า ตาของนกแรงนี่มองเห็นได้ไกลถึงร้อยจน์ซากศพอยู่ที่ไหนก็มองเห็นมองเห็นได้ไกลแต่ทำไมบ่วงอยู่ใกล้ๆจึงมองไม่เห็นบางทีพยาแรงตอบทำนองเดียว น, นี้ว่าเมื่อความเสื่อมมาถึงเมื่อความวิปัติจะมาถึงก็ทำให้ไม่เห็นบ่วง ทำนองนั่นนะครับอันนี้ก็ผมขอเล่าต่อไปนะครับว่าเพื่อจะขอชีวิตของพยาหงสมุกยังได้กล่าวถ้อยคำอ่อนหวานหวานล้อมให้ในตยปราณเห็ุใจขอให้ปล่อยเขาทั้งสองไปเพื่อพบญาติและบริวารเป็นทานองว่าถ้าฆ่าเขาทั้งสอง ก็คงได้อาหารเพียงมือ้อสองมือ้อหรือถ้าจะนําไปขายก็คงได้เงินเพียงเล็กน้อยไปเลี้ยงชีพแต่ถ้าปล่อยเขาไปปล่อยเขาทั้งสองไปพระอนก็จะได้บุญไม่น้อยทีเดียวพรานนั้นตามปกตินิยมสนเสริญในน้าใจพักดีได้เสียสละของสมุกอยู่แล้วที่ยอมสละชีวิต เป็นมิตรเพีเป็นมิตรเพีจึงมีจิตใจอ่อนโยนต้องการจะปล่อยนกทั้งสองไปแต่เพื่อทดลองใจของส ม, มุขให้มากขึ้นจึงกล่าวว่าท่านเองไม่ได้ติดปวัวและเราก็ไม่ได้ปรารถนาจะฆ่าท่านท่านจงรีบไปเสียเถิดขอให้ท่านอยู่เป็นสุขตลอดากาลนาน สมุขตอบว่าข้าพเจ้าไม่ประสงค์มีชีวิตอยู่โดยไม่มีพยาหงษ์ถ้าท่านพอใจมีชีวิตเดียวก็ขอให้ปล่อยพยาหงเ์เถิดส่วนตัวข้าพเจ้าเองนั้นท่านจะปล่อยหรือจะกินเสียก็ได้แล้วก็ข้าพเจ้าทั้งสองมีรูปกายเท่ากันถึงจะเอาข้าพเจ้าไปแทนลาบของท่านก็ไม่ได้พรง ก็ได้โปรดเปลี่ยนตัวเข้าไปเจ้ากับพญาหงเถิดถ้าท่านไม่แน่ใจก็ขอให้เอาบ่วงผูกมัดเข้าไปเจ้าไว้แล้วปล่อยพญาหงไปพรานมีจิตใจอ่อนโยนยิ่งขึ้นต้องการจะยกพญาหงให้เป็นรางวัลแก่สมุขจึงได้กล่าวว่าขอให้ใครๆทราบเถิดว่าพญาหงพ้นจากป่วง และพ้นจากความตายก็เพราะท่านบรรดามิตรทั้งหลายมิตรอย่างท่านหาได้ยากในโลกบรรดามิตรทั้งหลายมิตรอย่างท่านหาได้ยากในโลกหรืออาจไม่มีในโลกรายละเอียดนี้ข้าพเจ้าจงเง็นใจท่านขอรบในน้ำใจของท่านขอท่านทั้งสองจงบินไปเถิด ไปเป็นสุกอยู่ในมูญาตและบริวารสมุคทราบว่านายพรานทาคิดคือการดักป่วงก็เพื่อได้ทรัพย์มาเลี้ยงชีพต้องการจะตอบแทนน้ำใจของนายพรานที่ปล่อยตนทั้งสองจึงขอร้องให้พรานนำตนและพยาหงไปเฝ้าพระราชาพระราชาทรงทราบเรื่องทั้งหมดแล้วทรงเลื่อมใส ในนกและพรานที่ประพฤติธทมต่อกันโปรดสังเกตรตรงนี้นะครับพระแม่พระราชาก็ส่งเลื่อมใสในนกและพรานที่ประพฤติธทมต่อกันส่งพระราชทานซับเปน็นนันมากแก่พรานเพียงพอแก่การเลี้ยงชีพไปตลอดชีวิตอันนี้ข่าเรื่องจากจุฬางสะชาดกนะครับอาศิตินิพาย พระพุทธองค์ทรงตรายลบเรื่องที่พระอ น, นุลยอมสละชีวิตป้องกันพระองค์คราวที่พระเทวทัตไปปล่อยช้างนาฬคีรีหรือช้างธนปาลกะหรือช้างธนบาาเพื่อทําลายพระองค์ตามที่ได้เล่ามาแล้วข้างตน้นก็บอกไว้นิดหนึ่งนะครับช้างนาฬคีรีนี่มีอีกชื่อหนึ่งว่าช้างธนปาลกะหรือธนบาาก็ตรงที่เมื่อพระพุทธเจ้าทรงโปรดช้างนาฬคีรีได้แล้ว ประชาชนต่งก็ดีออกดีใจกันเป็นนักหนาแล้วก็โยนผ้าโยนเสื้อผ้าอาผ่อนโยนสิ่งของมาคุมหลังช้างมากมายก็เลยได้ชื่อว่าธนปาลกะตั้งแต่นั้นมาจะได้ชื่อใหม่อีกชื่อหนึ่งว่าธนปาลกะแปลว่ารักษาทรัพย์รักษาทรัพย์โดยคุมของทรัพย์ท่านผู้ฟังจะสังเกตพบในชาดุคนี้ ละเรื่องราวของพระพุทธเจ้า ว, ว่าการคบบัณฑิตและนักปราชมีประโยชน์มากอย่างนี้การมีคนดีเป็นมิตรเป็นสหายเมื่อมีทุกข์ก็เป็นที่พึ่งได้ไม่ยอมละทิ้งในยามวิบัติและยอมสละได้ในชีวิตเพื่อมิตรที่ดีกาลยานามิตรผู้เพียรพร้อมด้วยคุณธรรมแห่งมิตรหาได้ยากในโลกเพราะฉะนั้น ผู้ที่ได้แล้วก็ควรรักษาด้วยดีควรประครับประคองมิตรใจรักษามิตรด้วยดีมีชาดกหนึ่งนะครับที่พระเจ้าจัดเล่าแป ร, รบเรื่องธาโนนเนี่ยแล้วมหาหังสะชาดกอันนี้เป็นจุลหลังสะชาดกมหาหังสะชาดกซึ่งอยู่ต่อกันอยู่ติดต่อกันถ้าจากคนจากหนังสือวิชาดกฉบับของมหามากุตราชวิทยาลัยก็ดูเรื่ม พระสูตรและพระไตรปิฎกแปลมาถึงตอนชาดกเล่มที่62มีมาอ้างสัชาดกอีกชาดกหนึ่งแต่ก็จะไม่นำมาเล่านะครับเข้าเรื่องคล้ายๆกันแต่ก็มีข้อความการสนทนาแตกต่างกันไปบ้างเล็กน้อย